นั่งสับพระ ง, งกมีหลายสาเหตุได้คนละกี่งกเมืเ่อกี้เฮ้ย <c oughs> เอออ่านก็ได้ต่อไปต่อปัญหามีปัญหากี่ใบ อืม้าวสามไปแค่นี้ไปเครื่องชั่วโมงเมื่อกี้เราก็ชนะเด็ดขาดแล้วชิตังมีแล้วเมื่อกี้นะชนะแบบร่มรคุคลานก็เอาอืมโอกาสครับคำถามเกี่ยวกับเล่นงานกับ งานปัจจุบันเกี่ยวกับการขายคือเป็นพนัก ง, งานขายและจะต้องโกหลูกค้าเช่นลูกค้าถามว่าถูกสุดหรือยังเราตอบว่าถูกสุดแล้วค่ะแต่จริงๆไม่เพราะต้องบวกกาไรจะบาดใหม่คนปฏิบัติเป็นไรเพื่อให้เป็นสิครับอ่าบวกกาไรเรื่องของเราก็าไรเขาไม่ได้รู้กันเราเนี่ยอ่า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 ราคานี้เราขาดทุนเราขายให้ในราคาขาดทุนอันนี้อันนี้พูดเท็ชัดๆเลยอันเนี้ยเอาต่อไปของการเป็นผู้ปฏิบัติเริ่มต้นครับเวลาผมทานข้าวหรือกวาดพืน้นใจผมบางทีคิดเรื่องงานหรือเรื่องอืง่นจริงๆแล้วผมคคิดเรื่องอะไรครับ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 ทางความรู้ในขณะปัจจุบันทางความรู้เช่อย่างเห็นก็เห็นเห็ น, เ ห, นเห็นก็คือจกักขูวิญญาณเกิด ค, ความรู้ภาพเห็นได้ยินพอได้ยินปับ๊บเกิดโสตวิญญาณได้ยินเนี่ยได้ยินแต่เขาใช้คําว่าเห็นหนอดำรีหนอในครูบาอาจารย์เขาเราท่านไม่ได้สอนหนอแต่ว่า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 ไม่เที่ยงหนอวะตแะแปลว่านอมัาจากคำว่าวตาัวะตะวาตะแปลว่านอเอาออกขอถามนะครับท่านที่ท่านพระอาจารย์บอกว่ามีการจวดลใหายใจยุโตยุดหนอท้องหน อ, น อ, น อ, นอนผมควรจะเลือกแบบไหนครับรลกันและวิธีปฏิบัติ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 ไปเปลหลับสบายจนมันลืมอะไรไปหมดมันสงบมันอยู่กับอารมณ์มันมันเมื่อเมือกับเป็นหนึ่งเดียวแทนอะแทนความรู้แทนผู้รู้แทนอะไรอยู่เลยนั้นเราจะถนัดกับอะไรเราจะถนัดกับพุทโธเราก็เลือกพุทโธเลยราจะถนัดกับพองน้อยยุบน้อยเราก็เราก็เลือกเอาพองน้อยนอแต่ข้อ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 จดินพจณาน้พิาณาลมพิจารณาไฟโดยเฉาะพิจารณาเป็นผมก็ได้ผมเราจำอาการสามสิบสองได้แล้วกาหนดทางานไปเลงานเหล่านี้มันเป็นงานภายในเป็นงานที่เอาใจทำทาเงียบๆคนเดียวกาหนดรอบผมให้มันผ่านไปผมขนทำความรู้สึกตัวทั่วรอมแล็บฟันหนังหรืดูแต่ผมอย่างเดียวผมผมผม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 ขอการแล้ับต้องตามสุดท้ายครั บ, รบปล่อยสังแล้วไปรับประทานสัตว์ประเภทที่เราปล่อยจะบากใหม่เช่นปูทะเลปลารุ่นเจ้าท่านยังส่งให้พระชัน้นชั้นเนือชั้นปลาได้แต่ยกเว้นไม่ได้เห็นไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อเรา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 เราฝืนฉันเข้าไปได้วยเหตุที่เราสงสัยปรับอาบาัติเรียก ว, ว่าฝืนสองสัยแล้วฝืนทำลงสงสัยแล้วฝืนทำลงเราพูดให้ง่าของพระอย่างนี้มันละเอียดถ้าเรายังคิดอยากมันอยู่รับรับอะไรมันก็ผิดทั้งนั้นเลยยิ่งเขาไปชี้เป็นตัวๆนี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้ <c oughs> เราเดินหันหลังให้ซะหน่อยเดือดปอดปดปดยกไปควันขอมองไปให้เรา นานอันนี้เป็นยังไงอันนั้นมันชัดๆเลยลนหะอันนั้นเดี๋ยวนี้เขามีนะระนุกความพิสดารของมนุษย์ทำทำไมทำเลอองงาเอาเงินรู้อย่างไหมคนที่เขาทำแล้วเาทำเลอองงาเอาเงินเราเห็นนู่นะเราไปน้ำโขงเราไปเห็นเขามีม เ, ขาเขาเลี้ยงใส่็นจบใส่พิจกเอาไวาเ้เนี่ย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 ไอ้คำว่าเมตตาในทนี้เนี่ยเรามีเมตตาจริงๆแต่เราอย่าไปเอาลักษณะการบริโภคของเราเนยไปโจมที่คนอื่นนะคนนั้นนะเป็นผีเป็นเปรตเป็นยักษ์กินเลือกินเนื้อก็เพราะพวกนี้กินเนื้แหละเขาถึงฆ่าแน่เราไปไล่เหตุผลปัจจัยอย่างนั้นเราไปสรุปยอดแบบนั้นไม่ได้ไม่ถูกเพราะว่ากรรมทั้งหลายมัน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 แต่ปกติกรรมของไขาา่ของมันคนนั้นทำก ข, ข, ของคนนั้นคนนี้ทำกของคนนี้แต่แต่ถ้าสมบคบคบคิดสมคบอคิดร่วมกันอันนี้เป็นกรรมร่วมใช่ลหมปรึกษาหารือกันเออต้องอย่างนี้ที่เออต้องอย่างนั้นที่เออ naszej, ต้องอย่างนี้ปรึกษากันไปปรึกษากันว่เออย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อันนี้ก็เรียกปรึกษาหารือกันอเอา อ, อย่างนั้นที่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 สัจจะนี้จะเที่ยงตรงมากสัจจะสัจจะจะเที่ยงตรงทํายังไงเป็นอย่างงั้นทําไงเป็นงั้นทําไงเป็นงั้นทาําแล้วกลบเกลื่อนแต่ว่าความจริงยังปรากฏอยู่ยังมีอยู่เวลามันให้ฝ น, นก็ให้ผลตามนั้นน่ะตามความเป็นจริงนั่นแหละตามเหตุผลนั่นแหละวันที่ไปกรบเกลื่อนกรบไปกรบมากิเลสมันก็พลอยดีใจไปด้วยเออเรากรบได้แล้วเรากรบได้แล้วคนนั้นไม่รู้คนนี้ไม่รู้ก็พลอยดีออกดีใจ ขึ้อนกอกขนใจแต่เวลากรรมมันให้ผลมันไม่เลือกมันฟาดเลย ก, กรรมสิ่งที่ให้ผลที่ละเอียดที่สุดมีพลังที่สุดคือกรรมให้ผลข้ามพบค้ามชาติได้กรรมแล้วก็ให้ผลตรงแนวต่อหลักสัจธรรมใครทำคนนั้นได้รับเพราะใจเจตนาเกิดขึ้นจักใจดวงนั้นจากใจคนนั้นคนอื่นที่ไม่ได้ทาก็ไม่ได้รับ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 เอาวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะระยะนี้วันละนี้อ่ามนสี่โมงเนี่ยเราขึ้นมาตั้งแต่บ่ายโมงห้าสิบมาหาสิบหรือเปล่าฮะหรือบ่ายสองเราลงมาบ่ายสองโอเมันกี่บ่ายสองบายสองนาทีอันนี้มันสองชั่วโมงอ้าวัวโมงแต่มันได้เวลา ตามเวลาเขาเนี่ยเขาจะมันยุตดดิแค่15จาก13มา14บสอันนี้ขยับมาจาก14มา15มา16บหกนะครับทุกท่าเตรียมตัวนะครับร้องไห้แล้วกราบครับกราบแล้วก็ไปพักเท่าไหร่พักหนึ่งชั่วโมง เราก็เดินจงรมเราเข้ามาตอนไหนอีกหนึ่งทุ่มเหรอนี่มมติจหนึ่งทุ่มนมรโมต้องสามชั่วโมงแต่ผูให้เข้ามาก่อนโมง4้มงบ้าแล้วก็จะพาเดินจงกรสันช่วงเดินจงกรมก็ให้นั้งใจเดินนะเดินจงรมต้องอย่าเดินืเดินทรง